นั่งทำความสงบความจริงการภาวนานั้นไม่ได้มีแต่ทําความสงบเท่านั้นหรอกเฉ่งแต่ว่าทําความสงบนี้มันเป็นบาปเป็นฐานสําหรับที่เราจะไปทําเรื่องอื่นๆอืเหมือนอย่างที่เราจะเรียนภาษานั่นแหละเราก็มีเรียนพยัญชนะเรียนตระ เรียนวรรณยุกพยัญชนะ เ, เป็นอย่างเช่นกไก่คไก่คขวดขอคอไฟนี่แหละสระเ็อย่างเช่นสระอสระอาสระอีสระ อ, ร อ, รอีน่นะวรรณยุกเป็นไม่เอศไม่โทไม่ตรีให้จัตวาเราต้องเรียนรู้อย่างนี้ซะก่อนเมื่อเรารู้พยัญชนะสระ ในมันในยุแล้วเราจึงออกไปผสมกันเราจึงสามารถไปรู้ค่อยทำต่างๆอย่างเช่นว่าไก่เป็ดี้หมาคนผู้หญิงผู้ชา ย, ยรู้ไปเยอะเลยรู้รัฐมนตรีพระบา ท, ทจเจ้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระพลลนังเจ้าพระลนม่าชินีนาถรู้จักสหรัฐอเมริกาเราจะรู้ไปอีกกว้างฝวางทีเดียวถ้าเรารู้ส ร, ระพยัญชนะวรรณยุกแล้วนะเราสามารถเอาไปเขียนเป็นภาษาได้มากมายมันกว้างกว้างแต่ที่จำเป็นในเบื้องแรกเนี่ยจำเป็นจริงๆจะต้องเรียนรู้อันนี้แหละศ ร, ระพยัญชนะศ ร, ระวรรณยุกเนี่ย ประโยชน์มันมีมากอย่างนั้นแหละความสงบนี่เหมือนกันในการภาวนาเนี่ยเราจะไม่ได้เอาแค่ความสงบเท่านี้นะจริงๆแล้วเราจะไปเอาไปใช้ประโยชน์ในหลายๆอย่างเอาไปใช้ประโยชน์ในการที่จะทำความร่มเย็นให้เกิดมีแต่แตจิตแตใจให้มีความร่มเย็นแต่ชีวิตเออ ในหลายๆท่านหลายๆเรื่องหลายราวทีเดียวในชีวิตของเรานี่ทุกคนเกิดมาตระสับต้องการความสุขความสงบความร่มเย็นต้องการความพ้นจากทุกเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากมันจะสาคัญขนาดไหนเราคิดดูว่าทุกเนี่ยนะทุกเน่ยมันมีเรื่องเดียวใช่เหมลายหรือมันมีทุกตัางหลายหลายอย่างทุกกายสัตหลายอย่าง หลายเรื่องหลายอย่างทุกคนทุกกายทุกใจมีทุกกายมีหลายเรื่องหลายอย่างแต่และอย่างก็มีทุกมากทุกน้อยโ อ, อ้ยมากมายจริงทีนี้เราจะเอาการภาวนาเนี่ยจะเอาไปใช้ในการปราบทุกในการให้พ้นจากทุกมันจึงจําเป็นจะต้องเรียนเอาเนี่ยซะก่อนถ้าศาสใดที่ยังไม่ ไม่เรียนเอาไม่ฝึกฝนเอาเอาความตักตนนี่สก่อนแล้วก็จะไม่สามารถจะนําตนพาตนให้พ้นจากความทุกข์ได้เหมือนเราไม่ได้เรียนฟอไก่ฟอไข่ไม่ได้เรียนแตละอาแตละอาแตลีแตลีเนี่ยนะเราจะไปรู้คำใจเลยควายอย่างเนี้ยก็จะไปเขียนเป็นเหรือมันจะไปรู้จักเรื่องจักลาวอะไรหมูมา้าเป็ดไก่เนี่ยมันไม่รู้ทั้งนั้นน่ะ เราก็เคยเห็นไม่ใช่เหรอกคนที่ไม่รู้หนังสือนะ่ะเขาเขียนอะไรเขาเขียนมาด่าตัวเองก็ยังไม่รู้จักนั่นแหละคนไม่รู้แหละทีนี้ถ้าเราเนี่ยจิตใจเรายัางไม่รู้เมื่อยังไม่รู้มันก็จะเปรศาะเนะี่ยไม่รู้ทั้าไปว่าสิ่งที่ตัวทํานะั่นนะสิ่งที่ตัวประพูดสิ่งที่ตัวพูดสิ่งที่ตัวทําสิ่งที่ตัวคิด มันเป็นเรื่องที่จะนำโทษนำทุกข์มาให้แก่ตัวเหมือนอย่างเขาเขียนหนังสือมาดา่าด่าสารพัดสารพันเราเนี่ยเราไม่รู้หนังสือเลยเราไม่รู้เรื่องเลยพราะยัะงยิ้มย่อกองพองใสเหลืองนั่นแหละเหมือน ก, นกันกับคนไม่รู้หนังสือเนี่ยถ้าเรามีความสงบเสียก่อนนรู้ทํคาความสงบเป็นมันจะสามารถไปรู้จักเรื่องต่าง ในโลกเนี่ยในชีวิตเนี่ยจะไปรู้จักสิงต่างๆตามความเป็นจริงเราคงจะได้ยินพหุคำนี้มาบ่อยแล้วสิงต่างๆตามความเป็นจริงน่นนะมีอยู่อย่างนั้นเป็นจริงอย่างนั้นอยู่ตลอดมาแต่เรามันไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีความรู้พื้นฐานไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นพื้นฐานเนี่ยให้มันเกิดมีซะก่อนแล้วมันจะไปรู้อะไร จิตใจไม่เคยมีความสงบเลยเวลาพารมณ์อะไมากระทบจะมาทางตาทางหูทางหลังทางเอวทางต้นทางเท้าอะไรอย่างนี้นมันไม่รู้จักเท่านั้นน่ะไม่รู้จักว่าควรจะยังไงควรจะทํายังไงรู้อย่างเดียวว่าถ้ามากระทบเราจะรักจะทางจะโกรธแค่นั้นน่ะรู้เท่านั้นไปรู้จักว่าดีชั่ว รู้นิดยรู้ตามภาษาเท่าเหร่รู้จริงๆไปถึงที่พระพุทธเจ้าหรือผู้ที่รู้จริงๆท่านรู้นะเรารู้ไม่ถึงมันรู้ไม่ถึงไปตรงอนิจจังทุกขังอาตมากสี่เพราะฉะนั้นความจริงที่สุดมันก็คืออนิจจังทุกขังอนัตตามันไม่ไปถึงนู่นเหมือนอย่างคนที่ไม่รู้หนังสือนะเห็นเขาเขียนตัวหนังสือมามาด่าตัวเองไงนะ่ะ ยิ้มย่องรู้อย่างเดียวแค่ว่าเป็นตัวหนังสือเท่านั้นแหละเป็นตัวภาษาหนังสือแต่ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรมันอ่านว่าอะไรเนี่ยนั่นแหละคือคนคนไม่รู้หนังสือคือคนโ ง, ไน ง, งน่ไม่รู้หนังสือถ้าจิดเราที่โง่เนี่ยก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรของสิ่งที่มากระทบเลยนะ ไม่รู้ว่ามันเป็นอนิจจังทุกสังขตารู้แต่เพียงว่ามันเป็นหน้ารับหน้าทั้งหน้ารุ่มหงง ห, หน้าโงงไหลหน้าโกรธหน้าแท้นหน้าขาดหน้าเครอยดรู้หรือไมนั่ น, น, นล่ะถึงว่าความรู้มันน้อยเหลือเกินถ้าจะให้รู้มากรู้ดีมันจะต้องทงาำฟางสงบนี่แหละให้มันเป็นพื้นฐานดังนั้นขอให้เราใจ บางคนก็ไม่เข้าใจหรอกที่พูดอยู่บ่อยๆเนี่ยไม่เข้าใจว่าเราจะมาภาวนานจะเอาอะไรทำความสงบทํำไหมทําไมไม่เอาทําไมไม่ีแต่ทําความสงบกระทั่งบางคน ก, ก, ก็เลยเลือดเลยเลือดสนใจไม่ทําแล้ววันไหนก็ให้ทําแต่ความสงบวันไหนทําแต่ความสงบเรื่องดีกว่าก็เลยไม่ทําเป็นจิตที่ไม่ฉลาดอยู่ต่อไปศาสตร์นั้น ก็ยังต้องไม่รู้เรื่องหรูปราวอะไรต่อไปอีกถ้าสมมุติว่าชาตินี้เกิดว่าไปอยู่ถึงตายนะไม่เคยได้มาปฏิบัติไม่เคยทําความสงบเลยก็ไม่เอาไม่รู้เรื่องจนตาเลยนะถ้าชาติหน้ามาอีกมาเกิดเขาให้มาเกิดอีกมีบุญได้มาเกิดจะพทัศจักคูมาก็เกิดเป็นคนแล้วทำไมมาทําความสงบเพราจะไม่รู้เรื่องอีก จะไม่รู้เรื่องความเป็นจริงของธรรมชาติของสิ่งทั้งหลายไม่รู้อีกจนกระทั่งตายไปอีกแหละเนีย่ยคนเราที่ไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วสิ่งต่างๆที่มากระทบเนี่ะถ้าเกิดอเรามีเรามีความสงบเป็นพื้นฐานมีพื้นฐานที่ดีแล้วเราจะเห็นว่าอันนี้ควรเอาอันนี้ไม่ควรเอานี่เราจะเห็นว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ไม่ดีจริงๆเนะี่ยจะรู้จัก อันนี้ที่ไม่ควรเอาก็ไม่เอาอันนี้ที่ควรเอาก็เอามันก็ถูกเรื่องเมื่อถูกเรื่องแล้วความเป็นไปในโลกนี่ไม่สามารถจะปูกจะมัดแล้ได้หรอกผู้ที่ไปรู้เห็นตามความเป็นจริงนะี่เห็นว่าเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอันนี้ทังทุกทังอนัก ต, ตาท่านบอกทุกสิ่ทุกอย่างเมื่อกี้เราก็สวดพระสูตรหนึ่งเรียกว่าธรรมนานิยมสูตรเนี่ย บอกกับเทธรรมาอนัตตากับเทธรรมาอนัตตามันบอกว่าอย่างนั้นทุกสิ่ทุกอย่างเป็นอนัตตาเมื่อจิตที่สงบแล้วจะเห็นว่าทุกสิ่ทุกอย่างเป็นอนัตตานันะเรียกว่าเห็นตามความเป็นจริงทั้งหมดของทุกสิงทุกอย่างแล้วมันเป็นอนัตตาคือไม่ได้เป็นโครงการไม่ได้เรื่องราวอะไรของเรามันเป็นเรื่องราวของมัน ทุกเรียองทุกอย่างเลยเป็นอย่างนั้นหมดแต่เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปเอาทําไหมมันก็ไม่ใช่เรื่องของตนเมื่อไม่ใช่เรื่องมันก็ไม่ไปยึดพูดที่ยึดมันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งต่างๆไม่ใช่อารมณ์มายึดใจไม่ใช่สริงต่างๆมายึดเอาเราไม่ใช่สิ่งต่างๆมายึดเอาจิตจิตน่ะมันจะยึดเขาเมื่อฉลาดแล้วมันจะไปยึดทําไมมันก็ปล่อยทั้งนั้ ผู้ปล่อยนี่ผมคือคิตจิตที่ฉลาดแล้วจึงจะปล่อยถ้าไม่นั้นมันก็กำไว้นั่นแหละนึกว่าเป็นของดีมันเกิดลาดนี่จะโง่แค่ไหนลองคิดดูพี่อ๋จิตธรรมดาเนี่ยนะรักก็กำไว้ยึดไว้เออนั้นยังว่าหลกรักมันชอบไอ้โกรธนี่นะโกรธเครืองชังนี่นะมันก็ยังยึดไม่อีกเอ ต้องคิดดูที่มันฉลาดหรือมันโง่ขนาดไนนะ้นนั่นล่ะคือจิตที่ไม่สงบแล้วไปเลยไม่รู้เรื่องมีอย่างเดียวเท่านั้นคือยึดยึดยึดยึ ด, ยดเอาไว้เท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทําความสงบเป็นพื้นฐานแล้วมีโอกาสที่จะเข้าใจดีต่างๆต่างความเป็นจริงคือมันเป็นอนาาัตตา คือมันเป็นไม่ใช่เรื่องราวอะไรที่เราจงไปยึดเมื่อไม่ยึดมันก็ไปเรื่องของมันจิตใจก็พ้นจากความทุกข์เท่านั้นแหละเพราะว่าสิ่งที่ไปยึดมานมันมีทุกคนอยู่ในนั้นจิตที่ไปยึดมาจึง ท, ท, ทุกทุกทุกทุกอยู่รั้นไปทุกข์พบทุกขงาตถ้าจิตใจที่สุ ด, สดทีแล้วท่านเห็นแล้วว่าอันนี้ไม่ยึดไม่เอาแล้วท่านก็ปล่อยก็วา มันก็ไม่มีและทุกมันก็อยู่นู่นถึงมันจะมีมัจะเรียบกว่าทุกมันก็อยู่นู่นมันไม่มาอยู่บนจิตจิตต่อยจิตวางแล้วนี่คือจิตที่ฉลาด่อนจะฉลาดต้องมีความสงบนี่แหละถ้าไม่มีความสงบแล้วมันไม่ฉลาดหรอกกีพบกีชาต์มันก็ไม่ฉลาด ที่สัพพสัจมาเวียนว่าเวียนเกิดเวียนตายเวียนเกิดเวียนแก่เวียนเจ็บเวียนตายอยู่นี่น่ะเมื่อกี้เราก็ตรวจเจออภินายาปเจเนี่ยมีแก่มีเจ็บมีตายมีหลายหลอย่างนั่นน่ะเป็นควันพุ่งนั้นน่ะที่มาเวียนอยู่นี่นะ่ะเพราะเพราะไม่รู้เรื่องเลยนะมีแต่ยึดมีแต่ดึงไว้เอาไว้เมื่อเอาไว้มือ น, นปลาบมาเกิดนี้นะ ในที่สุดแล้วเราจะต้องปล่อยต้องวางก่อนจะปล่อยจะวางได้เนะี่ยจิตมันต้องยอมซะก่อนจิตมันต้องเห็นจริงเห็นจังซะก่อนให้เราที่พูดอยู่หรือที่ได้อ่านมาแล้วเข้าใจเนี่ยมันยังไม่อยู่ในจิตถ้าจิตมันรู้เองเข้าใจเองแล้วมันจึงจะปล่อยจะวางจากจิตได้เดี๋ยวนี้เราปล่อยเราวางได้ทางมันสมองทางหัวสมองทางปากเท่านั้นแหละ แต่จิตมันยังไม่วางถ้าจิตวางจิตจะต้องมีความสงบมีความสงบแล้วจิตเจริญมันเห็นจริงเห็นจังเองแม้นไม่พูดไม่พูดออกมาว่าปล่อยว่าวางมันก็วางมันก็ไม่เอานั่นแหละที่จะพ้นจากความยึดความถือความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆเพราะก็จิตนี่แหละมันปล่อยมันวางไม่เข้าใจเจ้าว่า ที่เรามาทําความสงบเองวันไหนวันไหนก็ทําความสงบวันไหนก็ทําความสงบจนกระทั่งหมู่เพื่อนบางคนบางคู่บางท่านก็เกิดความอินฉาละอาใจไม่ว่าวันไหนวันไหนก็ทําความสงบวันไหนเลยก็ทําความสงบจนกระทั่งหลายคนก็คอยทอดถอนไป <S <S 2> <S 2> ความจริงนั้น <S 2> <S 2> <S 2> ทําความสงบนี่ มันทํายากกว่าจริงแต่มันมีประโยชน์มันยังปลูกข้าวเนี่ยถ้าปลูกข้าวแล้ววันนี้อยากกินข้าวอยากกินข้าวพรุ่งนี้อย่างเงี้ยเอาข้าวมาปลูกวันนี้แล้วพรุ่งนี้มันได้กินมันจะทําได้อย่างไงล่ะมันปลูกข้าวต้องจะกินข้าวมันต้องปลูกไว้ตั้งร้อยวันหรือสามเดือนน่ะมันข้าวนี่จะสุกยังจะเป็นข้าวขึ้นมาให้กินได้มันต้องใช้เวลา เราจะเอาดังใจของตนเองก็มันไม่ฉลาดมันไม่ถึงที่สุดการพัฒนาจิตใจก็ไม่ถึงที่สุดได้แค่เผือไม่มีความสงบเป็นพื้นฐานมันเป็นความจําเป็นดังนั้นกัรฝ อ, อกกางใจทําทําได้น้อยก็คือได้ทําได้มากก็คือได้เป็นเรื่องดีไม่มีอะไรเสียหายหรอกเราไปนี้ฟังเทศ เขาเลิกปูแล้วทําความสงบการไป